วันนี้ก็วันนี้จะได้พูดเรื่องพระสูตรตอนต่อไปออลักษณะของพระสูตรนั้นจะขึ้นต้นด้วยคําว่าเอวอมเเมสุตังซึงแปลวา่าพระเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้แล้วต่อไปก็จะบอกว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่นั่นที่นั้นมีคนเหล่านั้นเมาเฝ้าหรือว่าเรียกวิสูตรทั้งหลายมาแล้วส่งแสดงธรรมเป็นต้น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 ส่วการจำนั้นท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมจึงจำได้แต่ที่จริงพระสูตรจำไม่ยากคือถ้าหากว่าเราเข้าใจในเนื้อหาสาระคือพยายามจับประเด็นให้ได้แล้วก็จำเฉพาะหัวข้อตอนใดตอนหนึ่งเอาไว้และในที่สุดหัวข้อตอนอื่นมันก็เปลี่ยนกันเพียงไม่มากมายอะไรพระสูตรมีทั้งหมด ก็เรียกว่าเป็นหมื่นหมืนหมื่นห ม, นห ม, นหมนปสุดแต่เฉพาะที่เรียกว่าสุดตะเนี่ยสุดมากจะขึ้นอย่างนี้พระคําสอนพระพุทธเจ้ามีทั้ง9ลักษณะด้วยกันเฉพาะลักษณะที่เป็นสุดตะจะขึ้นด้วยคําอย่างนี้หรือว่าพระนรนได้บอกแก่พระสงฆ์ในที่ประชุมสังขารนาเรบอกแล้วค้าหนาสงฆ์องค์อื่นท่านก็จำเอาไว้เมื่อพระนรนแสดงไปเสร็จ ประสงค์ท่านก็สาธยายขึ้นพร้อมกันคือถ้าทุกรูปที่สาธยายลงกันก็ถือว่าพระสูตรนี้ก็จํามาถูกต้องคือต่างคนต่างก็จํากันมาคนละทิศละทางนะฮะแต่ว่าเมื่อมาสอบทานกันต้องลงกันถ้าไม่ลงกันก็ต้องหาข้อยุติที่เราเรียกว่าสังขายานาคำว่าสังขายนาคือขับคือขับคือสวดพร้อมพร้อมกันนะพูดง่ายๆว่าสวดพร้อมพอมกันอย่างที่เราสวดมนต์นี่แหละแต่ว่าเป็นการทําที่มีระบบ ตั้งขึ้นเป็นคณะกรรมการสอบทานพระใจวีดกพระพุทธวจนะของพระพุทธเจ้ากันแต่เฉพาะพระสูตรที่จะกล่าวในที่นี้วันก่อนนั้นจะเห็นว่าเป็นเป็นเป็นพระสูตรที่แสดงโดยอัธยาศัยของคนอื่นคือเป็นการแสดงตามอัธยาศัยของชนชาวกาลามะเพราะชนชาวกาลามะเขามีปัญหาที่เกิดความสับสนในด้านความเชื่อว่า แกจะเชื่อใครดีเนื่องจากคนแสดงก็แสดงกันสับสนไปหมดต่างคนต่างก็ยกวาฏทะของคนอื่นของตนเองขึ้นมาเชิดชูแล้วก็กลมกีวัฏทะของคนอื่นพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมะในลักษณะที่คลอยตามคล้อยตามอัธยาศัยของชนชาวกาลาปัแต่พระสูตรนี้เป็นการแสดงโดยอัธยาศัยของพระพุทธเจ้าเองเป็นพระสูตรที่เราสวดกันแพร่หลายเรียกว่า สารานิยธรรมสูตรคือพระสูตรอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกันพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ประเชศตะวันอันเป็นอารามของอนาถบินทิกเศรษฐีในกรุงสาวัตถีพระพุทธเจ้านั้นประทับที่ประเชศตะวันนี่มากที่สุดคือถึง19บพันศาที่บุพารามซึ่ง เป็นเมืองสาวัตถีเหมือนการนำวิสาขาสร้างถวายก็หกพันษาเพราะงันประทับอยู่ตั้ง25่สิพันศาที่เมืองสาวัตถีประสูจน์จึงเกิดขึ้นที่เมืองนี้มากหรือที่สาวัตถีนี้มากอารามของท่านอนาตบินิกะเศรษฐีนั้นก็ให้ความรู้เราอย่างหนึ่งว่าวัดในสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราเอาวัดในสมัยปัจจุบันมาเปรียบเทียบก็สู้ไม่ได้เลยเพราะราคามากไปเกิน อย่างประเชตตวันนี่สร้างด้วยเงินถึง54ี่โกด54ี่โกดโกดถึง10ล้านนะฮะเงินสมัยโบราณแล้วก็ใช้แรงงานโดยไม่จ้างก็มียะะเยอะแสดงว่าลงลงทุนสร้างวัดมากดือเกันอย่างอุปารมมหาวิหารของนางวิสาขาเนี่ยพอรู้ว่าปราสาทเนี่ยแต่และชั้นนี่มันมีอยู่ตั้ง500ห้า้อยข้องพระขึ้นไปอยู่ได้ทีองเป็นพันพัน ขึ้นมาอยู่ที่ปร า, าสาทนั้นก็ต้องใหญ่โตมาโหาลานรอย่างเงี้ยลงทุน27โกดสร้าง แ, แสดงว่าสร้างใหญ่มากพระพุทจาก็รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วก็ทรงแสดงธรรมะที่เราเรียกว่าปรารบความสามคัคคีโดยทรงใช้คำว่าเราจะแสดงธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งเครื่องะระลึกกัน เป็นธรรมะที่สร้างความรักบิยการณากระทาความรักให้บังเกิดขึ้นครุเกลนาคือกระทาความเคารพให้บังเกิดขึ้นสังาหาสังหายะเป็นไปเพื่อการสรงเคราะห์กันอวิวาดายะเป็นไปเพื่อการไม่วิวาทกันสามัคคีญาเป็นไปเพื่อความสามัคคีแล้วก็เอกีภาวะยะเป็นไปเพื่อความเป็นอันหนึ่งเดียวกันซึ่งท่านทั้งหลายจะเห็นว่าความรักความเคารพ การสงเคราะห์กันการไม่ทะเลาะไม่วิวาดกันความสามัคคีและเอกภาพนั้นเป็นความต้องการของคนทุกคนที่อยู่ร่วมกันแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ถ้ามองให้ดีแล้วมันเป็นผลนะฮะมันเป็นผลจะเกิดขึ้นมาโดยไม่ได้สร้างเหตุไม่ได้พระพุทเจ้าจึงทรงแสดงตัวเหตุที่ให้เกิดผลซึ่งคนทุกคนต้องการ หละคคำสอนในพระพุทธศาสนาจึงมีอยู่ข้อหนึ่งที่ว่าทรงแสดงธรรมมีเหตุที่ผู้ฟังอาจรองตามให้เห็นจริงได้ซึ่งหมายความว่าในขณะที่คนต้องการความรักความเคารพความนับถือกันการไม่ทะเลาะไม่มีวาทกันความสามัคคีและเอกภาพนั้นถ้าหากว่าบุคคลประกอบด้วยธรรมะที่ทรงแสดงแล้วผลต่างๆก็จะเกิดขึ้น เทียงแต่เราคิดเท่านั้นเองเราก็จะเห็นทางได้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้จริงๆรนั่นก็คือข้อแรกก็ทรงใช้คําว่าเมตตากายกรรมังปัจจุปติตังโหติคือเข้าไปตั้งเมตตาทางกายตั้งในที่รับทั้งไหนที่แจ้งต่อเพื่อนต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเราทุกๆคนเมตตาทางกายนั้นก็คือการช่วยเหลือขวนขวายกันในกิจการงานที่ชอบที่เหมาะที่ควร การงานอะไรที่จะต้องจัดจะต้องทำพอจะช่วยเหลือกันได้แบ่งเบาภาระกันได้ก็ช่วยเหลือแบ่งเบากันเป็นการแสดงถึงอัธาายาศัยเมตตรีของบุคคลเหล่า น, นั้นอย่างในกรณีของพระเองพระพุทธเจ้า ก, ก็ทรงวางเป็นรูปแบบอย่างในสมัยก่อนเนี่ยแม้แต่จะเย็บจีวรสมัยนี้เหตุการณ์มันก็เปลี่ยนแปลงไปสมัยก่อนจะเย็บจีวรพระเนี่ยพระทั้งวัดจะต้องประชุมช่วยกัน แล้หาผ้ากันมาแล้วช่วยกันตัดช่วยกันด้ดนช่วยกันเน่าช่วยกันพับช่วยกันเย็บกันย้อมต้มน้ำอะไรอะไรช่วยกันพระพุทธเจ้าเองก็ลงมาเป็นประธานในการเย็บจีวรแต่ท่านทั้งหลายลองดูพิธีปวกกถินะฮะกรถินเนี่ยพยายามรักษารูปแบบเดิมเอาไว้วิธีการของกรถินจึงเป็นการพิสูจน์เรื่องสามคีของพระคือจํากัดไว้เวลาเลยเวลาวันเดียวเท่านั้นต้องทําให้เสร็จผ้าผืนหนึ่งเย็บเสร็จ ยอมเสร็จแล้วก็ตากแข้งแล้วก็กลานเสร็จอะไรนี่ถึงทหารว่าพระในวันนั้นทะลกกเลาะกันก็าคงทำไม่ได้แต่ปัจจุบันบางทีมันก็ไปแก้โดยวิธีเอาเครื่องจักรเข้าช่วยแต่สมัยก่อนเนี่ยเย็บมือด้วยหรือพระจะต้องลงคร่องกันซึ่งก็หมายความว่าคนเราทุกคนที่อยู่ร่วมกันจะต้องสามกี่กันแต่ไม่งั้นก็ทํำไม่สาเร็จไอ้เมตาทางกายการรมเนี่ยนอกจากว่าเป็นหลัก ที่จะให้เกิดผลดังกล่าวแล้วก็ยังเป็นวยยวัจจะใหม่คือบุญที่สาเร็จด้วยการช่วยเหลือควรขวขายในกิจการงานที่ชอบแต่มีข้อแม่นะฮะว่าต้องช่วยกันเฉพาะกิจการงานที่ชอบเท่านั้นแล้วข้อที่สองก็คือเมตตาวจิกับได้แก่การพูดถึงกันจะต้องพูดถึงการด้วยเมตตาซึ่งเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราพูดถึงการ้วยเมตตานั้นมันจะต้องแบ่งใจเอาไว้ ในบางเรื่องสมมติว่ามีเรื่องเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ใครก็ตามหรือว่าเรื่องราวอะไรก็ตามมันก็ต้องแบ่งใจเอาไว้ไม่ใช่ว่าปักลงไปเลยอย่างส่วนมากแล้วเรามักจะพูดด้วยโมหาคติคือมีเรื่องอะไรเราเราก็รับลงไปทั้งร0อยเปอร์ซเลยแล้วก็พูดเพิ่มเติมเข้าไปโดยขาดเมตตาแต่ลักษณะวาจาที่ประกอบด้วยเมตตาจึงต้อง คือแบ่งใจเอาไว้ส่วนหนึ่งก็เรียกว่าทํานองที่ทพูดว่าอะไรเออฟังหูไววหูฟังหูไว้หูหหก็อาศัยความรู้สึกที่ประกอบด้วยเมตตาเนี่ยแล้วก็พูดออกไปด้วยความปรารถนานดีหวังดีอย่างในกรณีของการพูดถึงนะฮะพูดถึงไม่ใช่พูดกับพูดถึงใครก็ตามในทางที่ที่ไม่ดีเนี่ย คือไม่ไม่ควรจะพูดไปจนเกินพอดีไปเพราะว่าอาจจะกลายเป็นวจีทุจริตไปได้ทีนี้ถ้าพูดกลับคือสนทนากันก็ต้องอาศัยวาจาที่ประกอบด้วยเมตตาลักษณะของวาจาที่ประกอบด้วยเมตตาบางครั้งก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องไพเราะเสมอไปนะครับเพราะว่าชั้นต้องการใช้วาจาที่ส่งแสดงเอาไว้ในอภัยราชกุมารสูตร คือพระวจ a j ที่พระเจ้าทรงประดำรัดทรงตรัสนั้นจะมีอยู่สองชุดเท่านั้นคือเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องดีมีประโยชน์ถูกกาละคนฟังชอบใจนี้ชุดหนึ่งชุดหนึ่งมีองค์ประกอบอยู่5ข้อด้วยกันหนึ่งเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงสองเป็นธรรมหรือว่าดีเนี่ยสองหนึ่งจริงสองดีส ม, มีประโยชน์สถูกกาลแล้วก็ห้าคนฟังชอบใจอีกชุดหนึ่งนั้น เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องดีมีประโยชน์ถูกกาลคนฟังไม่ชอบใจจึงจะเห็นได้ว่าในกรณีที่คนฟังไม่ชอบใจแต่ถ้าหากว่าองค์ประกอบของวาจาองค์ประกอบของถ้อยคํา4อย่างขั้นต้นมันดีคือเรื่องจริงเรื่องดีมีประโยชน์ถูกกาลแม้บางครั้งบางคราวคนฟังไม่ชอบใจแต่ให้อาศัยเมตตาจิตพูดเช่นประการว่ากล่าวตักเตือนแนะนําท่ำสอนดูดดาตําหนิความบกพร่องผิดพลาดต่างๆมันก็จําเป็นนะฮะไอ้คนฟังก็ไม่ชอบหรอกไอ้คำพูดในลักษณะนั้น แต่ว่าต้องรู้กาละที่จะพูดวาจาเช่นนั้นระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าถ้าลองสังเกตดูจะมีในลักษณะสองแนวแนวหนึ่งเขาเรียกว่าแจคัมมาีนะฮะมมรีว่านิกหามุขเทศนาคือธรรมเทศนาที่กล่าวกำราบก่อนคล้ายๆกับปรับพื้นที่ปรับพื้นที่ที่จะสร้างบ้านสร้างเรือนคือกำราบซะก่อนแล้วจึงจะแสดงธรรมะที่หลั แต่วิธีหนึ่งเขาใช้คำบาลีว่าอนุกหะมุขเทศนาคือพระธรรมเทศนาที่แสดงในรูปของอนุเคราะห์คือคนมันพร้อมอยู่แล้วพร้อมอยู่แล้วที่จะฟังธรรมได้พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมไปเลยโดยไม่จําเป็นที่จะต้องไปกําหราบอะไรให้เกิดสํานึกเสียก่อนคือบางคนนี่มากระด้างมาก็สงสัยวิธีกำราบคือเราจะเห็นว่าไอ้ลักษณะนี้ที่จริงมันก็แรงนะฮะก็แรง และคนฟังเองเขาก็ไม่ชอบใจแต่มันเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องดีมีประโยชน์โัการคือข้าวสูตรข้าสูตรก็พูดได้เพราะงั้นวาจาที่พูดออกไปโดยเมตตาเราจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าจึงทรงสแสดงเอาไว้เป็นนันมากอย่างหน้าที่ของชาวบ้านที่จะต้องปฏิบัติต่อพระในเรื่องที่ถกนะฮะเรื่องที่ถกก็ทรงสแสดงไว้ห้าข้อก็คือธรรมะ ที่กล่ามาแล้วเนี่ยเมตตาทางกายทางวาจาทางใจเพราะอะไรเพราะว่าเบื้การปฏิบัติเกี่ยวข้องกับผู้ที่บวชมาหรือว่าพวกพระภิกษุสามเณรเนี่ยก็ต้องทำด้วยเมตตาคือไม่ใช่ว่ามองพระเณรเป็นคนนอกอย่างที่อย่างที่เรามีอยู่โดยเฉพาะในระบบการศึกษาปัจจุบันคือคล้ายๆกับว่าอย่างวันก่อนดรวิศนุเข้ามาก็มาพูด เขามาอภิปรายที่สภาเนี่ยเขบอกว่ามองในแง่กฎหมายคล้ายๆกับว่ า, ากฎหมายจะไม่ยอมรับพระท่านเป็นเป็นประชาชนโดย้ําไปเพราะว่ากฎหมายได้ปิดกั้นไว้เยอะแยะเลยที่ทําให้ใช้สิทธิ์ในความเป็นประชาชนไม่ได้ซึ่งว่าสิทธิ์เหล่านั้นมันก็เป็นการจํายอมไปแล้วแต่ว่ า, าสิทธิในการศึกษาแลาเรียนเนี่ยก็ยังถูกปิดกั้นเป็นต้นซึ่งก็เป็นปัญหาที่จะต้องกระทําด้วยความเมตตา แล้วเมตตาทางวัจีกรรมซึ่งหมายถึงว่าเวลาพูดถึงอะไรก็ให้พูดตาพูดถึงด้วยด้วยความเมตตาไม่ใช่ว่าจะเกณฑ์ให้พระเป็นอย่า ง, งานั้นเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดระยะเวลาเพราะว่าพระเราก็เป็นปุถุชนที่จะบวชมาเพื่อฝึกปรืออบรมฝึกฝึกฝนตนเองเหมือนกันนิ่งๆปุ๊บปั๊บจะให้เรียบร้อยมันก็เป็นไปไม่ได้แล้วก็ต่อไปก็คือเมตตามานุกัมมคือความคิดถึงความมองคือคือเรียกว่าอะไรทัศนคติ การมองดูคนหรือว่าคิดถึงคนนั้นก็ให้คิดถึงด้วยเมตตาคิดถึงในแง่เมตตาพร้อมที่จะอดทนพร้อมที่จะรอคอยพร้อมที่จะให้อภัยออแม้ว่าบางครั้งบางคราวคนเหล่านั้นจะหกโคลงหกลุกพล้งพลาดไปบ้างแต่ว่าก็ให้คิดถึงในแง่เมตตาเมตตาในด้านจิตใจนั้นยังมุ่งกระจายออกไปในรูปของการสร้างความรู้สึกที่จะเห็นนะฮะสร้างความรู้สึกที่จะเห็นผล อย่างที่เราสวดกันในบทแผ่เมตตาปรมวิหารนะฮะสเพสตาเวลาปยาปชาเนี่ยนี่ยไปขออย่าให้มีเวรอย่าให้มีภัยอย่ายให้เบียดเบียนกันอย่ายให้ประทุส า, ายกันแล้วก็ให้มีสุขตามสมควรแก่ฐานะของตนอันที่เราสวดสเพสตาแผ่แผ่เมตตานั้นก็คือแผ่ในลักษณะของปรมวิหารก็แสดงว่าให้สร้างความรู้สึกด้วยสร้างความรู้สึกที่ประกอบด้วยเมตตาต่อกัน ลักษณะความรู้สึกที่กรอบด้วยเมตตาซึ่งมันก่อขึ้นภายในใจเรานั้นท่านทั้งหลายอาจจะเคยสังเกตเห็นว่ามันสะท้อนออกไปภายนอกคือคนอื่นสามารถรับได้แล้วก็สามารถสัมผัสได้ยังกระแสความเมตตาปรารถนานดีที่เราใช้เราใช้รู้สึกว่ า, าสัตว์ดิบสานบางชนิดเช่นพวกสุนัขเนี่ยดูจะรับได้เร็วมากจะรับเมตตาได้เร็วแต่คนถ้าหากว่าจิตใจไม่กระด้างก็รับได้เร็วนะ เช่นสมมตุติเราเดินเข้าไปหาสุนักเราเดินเข้าไปด้วยความรักก็อยากจะอุ้มอยากจะให้อาหารแกเนี่ยพอพ อ, พ อ, พ, อพอกระแสะเมตตาเราสัมผัสแก่แล้วแก่จะแสดงการรับทันทีเลยซึ่งซึ่ ง, ง, ง, งลองสังเกตดูได้นะฮะในกระแสะความคิดเนี่ยแต่ทีนี้ในขณะเดียวกันถ้าเราเดินเอามือเอาไม้ถือไปข้างหลังไปจะตีมันะฮะเขาเรียกกระแสะของปัทุสจิตนะคือจิตที่คิดปัทุสลายมันไปถึงสุนัขมันก็แสดงความหวาดระแวงขึ้นมาทันที ซึ่งซงซึ่งลักษณะเหล่านี้เราก็สามารถสังเกตได้เพราะในกระแสของเมตตาคือการสร้างความรู้สึกโดยนิยามดังกล่าวที่เรียกว่าเป็นเมตตามนกรรมแต่ในจริงแล้วมันก็ผลซึ่งเราได้รับนั้นเป็นคนที่มีเมตตาทางมนโนกรรมเป็นคนได้รับผลแรกเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเมตตาบังเกิดขึ้นนั้นมันจะมีความยือกเย็นเป็นลักษณะสามารถส ง, งบ ความไม่พอใจความไม่ยินดีความโกรธความประทุษร้ายความมาฆ่าพยาบาทออกไปจากจิตใจได้ทั้งหมดแล้วก็ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นมันจะสะท้อนขึ้นไปข้างบนสะท้อนขึ้นไปคุมที่เมตตาทางกายกับทางวาจาให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนี่ก็โดยมีฐานจริงๆมันก็อยู่ที่ใจแต่ว่าการปฏิบัติธรรมะนั้นไม่ได้ว่าอยู่ที่ใจเรือไป มันก็ต้องออกมาข้างนอกได้เลยเจนว่าเรามีเมตตาเนี่ยเมตตาอยู่เรื่อยแล้วไม่ยอมช่วยเหลืออะไรใครเราจะเจริญเมตตาอยู่มันก็ไม่ได้มันก็มันมันต้องออกมาข้างนอกได้เพราะงั้ น, นจึงทรงใช้คําว่าเมตตากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแต้ที่จริงแล้วมันอยู่ที่ใจฮนะตัวเมตตามันเกิดที่ใจแต่ถึงคราวจะแสดงต้องแสดงออกได้ไม่ใช่ว่าถึงคราวจะใช้เมตตาแล้วยังไม่ยอมใช้อย่างเงี้ยมันก็แสดงว่าไม่ได้มีเมตตารจริงๆ ข้อต่อไปก็คือการเฉลี่ยเฉลี่ยความสุขก็คือการสงเคราะห์นั่นเองแต่ว่าก็มีข้อแม้นะว่าการเฉลี่ยความสุขนี้จะต้องเป็นการเฉลี่ยลาบที่ได้มาในทางที่ชอบทมคือหมายความว่าเราจะได้อะไรมาก็ตามที่ในทางชอบธรรมแล้วก็เฉลี่ยความสุขแก่บุคคลเหล่านั้นแก่บุคคลเหล่าอื่นเป็นการแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ เป็นลักษณะทางสังคมนะฮะอย่างเช่นว่าในวัดวาอารามเนี่ยพระพุทธเจ้านอกจากจะสอนในรูปของธรรมะแล้วยังทรงบัญญัติไว้ในรูปของวินัยด้วยเช่นว่าในคราวสุดสงกราร ญ, ญาติโยมทั้งหลายจะเห็นว่าพระไปะบินตบบาทพระบินตบบาทได้ยเยอะได้เกินแต่ในกรณีนี้ในแง่ของวินัยนั้นคือกรณีพิเศษเนี่ยวินัยอนุญาตให้รับได้ไม่เกินสาบาทแต่ว่ารับมาแล้วต้องเอาไปแจกจ่ายเฉลี่ยกแกคนอื่น ไปถวายพระอื่นด้วยแต่ถ้ารับเกินสามบาทไม่ได้วินัยก็ห้ามไว้ไม่รับเกินเพราะถ้าไปรับมาเกินก็ไม่รู้จะแจกใครบ้างกันมามากเกินไปก็เอาแต่เพียงว่าให้รับให้อย่าให้เกินสามบาทแต่รับมาแล้วต้องไปแจกที่คนอื่นนี้ก็เพื่ออะไรเพื่อต้องการสงเคราะห์ชาวบ้านนั้นอย่างหนึ่งชาบ้านต้องการทำบุญน่ะก็ฉะหงจทาเขาแต่ว่า ตัวเองเ็รับมาแล้วจะมากองมาเก็บเอาไว้คนเดียวไม่ได้ก็ต้องเอาไปเฉลีย่ยเฉลี่ยเป็นการสงร่งครากคนอื่นนี่ก็เป็นเป็นมาตรการทางพระวินัยเพื่อสั่งสอนให้พระที่มาอยู่ร่วมกันนั้นมีอัตยาศายมิตรีพร้อมที่จะเฉลี่ยความสุขซึ่งกันและกันก อ, อยังวัดในต่างจังหวัดอย่างวัดในกรุงเทพเราเนี่ก็ลักษณะโครงสร้างมัน มันแบบสมัยใหม่มากไปคือมันมันไกลกันเหลือเกินพระนี่อยู่ไกลกันคนละทิศคนละทางแต่ว่าต่างจังหวัดบางแห่งท่านวางเป็นรูปไว้เลยคือเพื่อให้พระที่อยู่ด้วยกันเนี่ยสามารถดูแลสารทุกสุขดิบด้วยกันได้คือให้ไปฉันกันบนโรงฉนันแล้วพระสมภารท่านแทนแทนที่จะนั่งหัวแถวท่านไปนั่งตรงกลางท่านไปนั่งตรงกลางคือเนรอยู่ด้านของพระอยู่ด้านนั่นก็มองได้รอบทิศ แล้วมีอะไรทั้งก็ให้เขาช่วยจัดการไปเพิ่มเติมมหาในส่วนนั้นเป็นเป็นการแบ่งกันเป็นการเฉลี่ยวความสุขกันลักษณะเหล่านี้ก็นำมาใช้แม้ในสังคมคือตั้งแต่สถาบันครอบครัวไปท่านทั้งหลายจะเห็นว่าลักษณะแบ่งกันกินแบ่งกันใช้เนี่ยทรงสอนไว้ในทุกข้อแหละคือแม้แต่ว่านายกับคนใช้ก็ทรงสอนว่า ไอแจกอาหารที่มีรสแปลกให้ให้กินเป็นต้นเนี่ยนี่ก็หรือว่าสามีกภบพันยามีอะไรก็ของฝากติดไม้ติดมือมานี่ก็คือลักษณะแสดงถึงความมีน้ำใจมีอัธยาศัยเมตตรีของบุคคลเหล่านั้นนี่เป็นธรรมะเครื่องสงเคราะห์แล้วในในสังหาวัตถุสังหาวัตถุนี่ทรงแสดงธรรมะสี่ข้อนะฮะีข้อเริ่มด้วยข้อนี้เหมือนกัน ครือข้อริทานเนี่ยแล้วในที่สุดทรงสรุปว่าถ้าหากว่าโลกไม่มีธรรมะเหล่านี้คือไม่มีทานไม่มีปิยะวาจาเกิดการเจรจาถ้อยคํำที่ไพเราะอ่อนหวานอัจรยิยะประพฤตสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็สมานนาตาวางตนสม่ําเสมอแล้วมารดาบิดาก็จะไม่อา จ, จได้รับความเคารพนับถือบูชาจากบุตรซึ่งก็หมายความว่าถ้าพ่อแม่ไม่ทําอุปการะอะไรกับลูกเลยเนี่ยก็ โอกาสที่จะรับความเคารพนับถือบูชาจากบุตรมันก็ยากเพราะฉะนั้นธรรมะเครื่องสงเคราะห์เหล่านี้จะต้องมีอยู่ในโลกมีอยู่เรื่อยไปแล้วก็ไ อ, อ, อ้ความผูกพันกันของชาวโลกคือมีความรักความเคารพกันต่างๆเป็นต้นก็จะมันเกิดขึ้นการเสียสละในลักษณะนี้ที่เราไม่ควรลืมประการหนึ่งก็คือว่าของนั้นจะต้องได้มาโดยธรรม เพาถ้าไม่ได้มาโดยธรรมแล้วย่แล้วบางทีเอาเอ า, เอาความผิดไปป้ายคนอื่นเลยเดินของเราไปชอบไปโกงเข้ามาเราไปแบ่งให้เพื่อนนะฮะเดินไปเรียกก็ล่าเข้าคูกกันเป็นแถวก็เอาแต่เฉพาะว่าของฉะนั้นต้องได้มาโดยธรรมเท่านั้นเองของไม่ได้มาโดยโดยธรรมก็ห้ามไม่ให้แจกไม่ให้แบ่งกันแล้วข้อต่อไปจงใช้คําว่าศีละสามญญตาคือมีศีลเสมอกันศีลนั้นก็อย่างที่ที่รู้กันนะฮะ ว่าทำยังไงจึงให้มันเกิดศีลเสมอกันได้เนี่ยเป็นปัญหาหนักที่สุดเลยแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในในพระพุทธศาสนาเราปัญหาในาศาสนาพูดตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเลยที่พอเกิดปัญหาแล้วก็คือปัญหาเรื่องศีลศีลไม่เสมอกันบางทีเพื่อนพระเคารพนับถือรักใคร่กันสมัยตอนเป็นเด็กเนี่ยอยู่ด้วยกันมาจนโตเป็นหนุ่มพอบวชเรียนมาองหนึ่งประพฤติไม่เรียบร้อยองหนึ่งประพฤติเรียบร้อยเกิดไม่เกิดไม่ชอบ ไม่ชอบพอกันแล้วเกิดรังเกียจกันแล้วเพราะอะไรเพราะว่าสีไม่เสมอกันเรื่องศีลจึงถือว่าเป็นเหมือนกับท่านอุปมาเหมือนกับเส้นได้ที่ร้อยดอกไม้นะฮะร้อยดอกไม้ต่างสีต่างพันุ์ต่างชนิดเอาไว้ให้ดูเป็นหมวดเป็นหมู่หน้าดูน้าชุ่มการปรับศีลให้เป็นศีละสามัญญาตาจึงมีความจําเป็นต้องรอยความแตกราวในพระพุทธศาสนาที่เกีย่ยวกับสี ่ว่าที่จริงมันก็มีคราวมาตั้งแต่ตั้งแต่พระพุทธเจ้านิพานได้ประมาณเท่าไหร่เจ็ดเดือนเน่ยเจ็ดเดือนเท่าไหร่สิบเอ็ดเดือนนะฮะสิบเอ็ดเดือนแต่นั้นเอง น, นิพานไปแล้วสิบเอ็ดเดือนก็เกิดปัญหานะคือการถือศีลไม่เหมือนกันมันมีอยู่ดูแปดข้อแล้วก็เป็นเรื่องเล็กน้อยมากฮะไม่น่าจะนําไปสู่ความแตกแยก เ, เป็นข้อบัญญัติพิเศษที่ทรงบัญญัติในคราวเขาเรียกเกิดตุภิภพัย ทุพิภพภัยก็บัญญัติพิเศษเพื่อให้พระอยู่ได้แต่ว่าพอเวลาทุพิกพภัยหายไปแล้วก็ต้องเลิกอันนี้มันเป็นบัญญัติเฉพาะการ น, นั่นนีทีนี้ไอ้ทุพิกภัยมันเกิดสองคราวเกิดคราวหนึ่งเกิดที่แคว้นวัดชีเกิดคราวหนึ่งเกิดที่ราช์พระเจ้าก็อนุญาตให้ทั้งสองคราวแล้วก็ครั้งสุดท้ายก็บัญญัติท่ามไปอาศัยการติดต่อคบหากันนี่คงจะไม่ไม่ ไม่ได้เหมือนสมัยปัจจุบันนะฮะไอการสื่อสารนี่ก็ทาให้พระพวกที่จำได้ว่าทรงอนุญาตเนี่ยไม่รู้ไอตอนองห้ามเพราะท่านอยู่ไกลแล้วก็เกิดแตกแยกกันตั้งแต่วันนั้นพอมาถึงไอร่องรอยนี้มันก็เริ่มบานปลายจนมา พ, พอถึงพศหนึ่งร้อยนะฮะพศหนึ่งอถ้าเรามองในแง่ของเหตุผลทางประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยคือท่านเหล่านั้นท่านคงไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไร แต่อาศัยที่ท่านรับปฏิบัติสืบต่อกันมาในสายของท่านน่ะท่านบวชมาแล้วก็อุปชายะอาจารย์ท่านก็อนสอนกับท่านอย่างเงี้ยแล้วท่านก็ไม่รู้ไอ้ที่มันต่างไปจากนี้นคืออะไรเพราะไม่มีหนังสือนื้อหาเเหตุของศีลใ น, นคราวนั้นก็ย่างมากที่สุดยามากที่สุดมันมีอบัติใหญ่อยู่ตัวเดียวแต่เองคือนิสกิยาปจิตเตอแต่แก่ภิกษุรับเงินและทองรับด้วยตัวเองนะฮะรับเงินและทองเนี่ยอันนี้ถือว่าใหญ่ที่สุด นอกนั้นเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วก็แตกแยกกันจนเป็นใหญ่โตมาจนถึงบานปลายมาในยุคนั้นนะฮะยุคพศหนึ่งร้อยอยกว่านะฮะก็ออกมาไปตั้งสิบกว่านีกายนี่ก็เริ่มมาจากอะไรเริ่มมาจากศีนไม่เสมอกันทีนี้คนเราอยู่ในสถาบันใดก็ตามนะฮะถ้าหากว่าไม่อยู่ในระเบียบวินัยด้วยกันคนหนึ่งเป็นพวกอภิสิทธิ์คนหนึ่งจะต้องอยู่เข้มงวดอยู่ในกฎในเกณฑ์ประเดี๋ยวมันก็แตกแยกกันอยู่อยู่ไม่ได้ แต่ถ้าหากว่าทุกคนปฏิบัติในกฎเกณฑ์ระเบียบแบบแผนเหล่านั้นเหมือนกันเราก็อยู่กันได้เรื่องศีลจึงถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากที่จะต้องพยายามปรับเข้าหากันให้ได้เพราะถ้าหากว่าปรับเข้าหาการในจุดนี้ไม่ได้ต่ความแตกแยกก็จะบานปลายออกไปเรื่องบางเรื่องที่เกิดขึ้นในยุค ข, ของเราในยุคหลังๆอย่างที่เกิดที่ประเทศพมา่าเนี่ย ที่พ่อมาไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดไอ้มันมันเรื่องเล็กน้อยเลยเกินนะเรื่องกินหมากได้กับกินไม่ได้ฝ่ายหนึ่งว่ากินหมากได้ฝ่ายหนึ่งมัน ก, กินหมากไม่ได้ทะเลาะกันจนปั่นป่วนไปหมดเลยแตกออกไปเป็นสองที่กายนและอีกคราวหนึ่งก็แตกแย ก, กพระราชาพระทันมาจาัลลังกาเจ็ดดวงก็ไปเทศพระพระราชาเลื่อมใสท่านถวายช้าง ถวายช้างให้องละเชือกคือเราต้องนึกดูยุคสมัยโบราณนะฮะยุคสมัยโบราณแล้วพระรูปอื่นท่านก็เอาไปปล่อยป่าหมดเลยเอาไปปล่อยในป่าหมดอีกรูปหนึ่งนั้นท่านเห็นว่าเอาช้างไปปล่อยป่าในช้างเลี้ยงไปปล่อยป่าบางทีมันจะหากินไม่ได้เลยเอาไปให้ญาติเพื่อนก็ปราบหาว่าประจบคฤหัตโอยไปยุ่งกันใหญ่เลยเนี่ยเรื่องนิดเดียวตีความนิดเดียวเท่านั้นเอง อง์นี้ก็ถือว่าการสงเคราะห์ญาติเนี่ยมันเป็นมงคลอง์หนึ่งถือว่าการให้ของแก่คิเลสหัดเป็นการประจบกิหัส ด, ดีความกันสองฝ่ายนิดเดียดนั่นเองฮะทะเลาะกันยุ่งไปหมดเลยจนแตกแยกกันเกิดปัญพวนวุ่นวายซึ่งเรื่องไม่น่าเป็นเรื่องฮะเราจะเห็นว่าเอ่อเรื่องที่ก่อให้เกิดความร้าวฉานขึ้นในหมู่พระดาวนี้มันก็อยู่ที่ปัญหาทางพระวินัยนี่มากแล้วก็ ไม่ได้ใหญ่โตนะฮะปัญหาทางพริวินไม่ไม่ค่อยจะใหญ่โตแต่ก็กลับมาตั้งเป็นข้อที่จะรังเกียจเดียร์จางกันได้โดยเฉพาะชาวบ้านเราแล้วก็ยิง่งยิ่งไปได้ได้มากนะฮะคือในเรื่องกฎหมายเราจะเห็นว่าบางครั้งบางครามันก็มีปฏิกิริยาในลักษณะที่ท้าทายคือเห็นว่าเออคนอื่นมันอภิสุทธ์เป็น คนพิเศษเป็นเป็นอภิสิทธิ์ชนไปทําอะไรก็ทําได้เราทําไมทําไม่ ไ, มได้ก็เลยก็มีลักษณะที่กัดแยงกันก็แบ่งเป็นภาคเป็นพูดเพราะ น, นเรื่องของศีลว่าที่จริงก็คือกฎคือระเบียบแบบแผนที่ท่านวางเอาไว้อย่างพระวินัยในาศาสนาเนี่ยแต่ถ้าเราดูบางข้อแล้วมันไม่ใช่ในเรื่องบาปอะไรไมันจะเป็นเรื่องบาปกรรมอะไรแต่มันเพิ่งเป็นเรื่องระเบียบปฏิบัติสมครคหมู่คณะที่จะให้อยู่กันอย่างสวยงามแต่นั้นเอง อยู่สวยงามเรียบร้อยจะนุ่งเจะคลุมอะไรต่ออะไรเนี้ยพระเจ้าท่านก็สอนให้มันมันดูสวยงามเรียบร้อยบางอย่างก็เป็นเหตุผลทางจิตวิทยาบางอย่างก็เป็นเหตุผลทางสังคมบางอย่างก็เป็นเหตุผลทางบาปบุญบางอย่างก็เป็นเหตุผลทางการเมืองบางอย่างก็เป็นเหตุผลทางท้องถิ่นนั้นๆนะทางท้องถิ่นนั้นๆเช่นวินัยมีเช่นว่าพระอยู่ในชมพูทวีป15วันยังอาบน้ําได้ผลหนึ่งนะ ยังไม่ถึง15วันอาบน้ำล้วต้องอบััดเลยเราดูเราแย่เลยส5้าวันเนี่ยแต่ว่าอันนั้นคือเหตุผลทางกิตวิทยาเพราะว่าไอ้ตัวมูลเหตุเกิดนั้นถ้าหากว่าไม่ทำอะไรให้แรงลงไปในตอนนั้นแล้วจะมีปัญหาทางการเมืองขึ้นมาพระเจ้าก็ส่งบัญญัติพระวินัยขึ้น mm hmm. เพื่ออะไรเพื่อปรับให้อยู่กันอย่างมีระเบียบเรียบร้อยไอ้หลักของศีรสมัญญาตาคือมีศีลเสมอกันเนี่ยอย่างอย่างเนี้ย นอกจากว่าใครจะไปทําไปนอกลู่นอกทางอย่างว่าเพื่อนก็นอนกันเสร็จแล้วมันขย่า ว, วิทยุดังโครมโครโคร ม, คร ม, ครมอย่างนี้ก็ไม่ไหวฮะแล้วเพื่อนก็อยู่กันไม่ได้แม้ภายในบ้านภายในครอบครัวเองหรือว่าพ่อแม่อาจจะทนลูกได้ระยะหนึ่งแต่มันานานๆข้าขมันก็ทนไม่ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าไม่มีระเบียบบิ น, นัยบินัยก็คือกฎแกณฑ์ที่ทรงวางไว้เพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขจุดประสงค์ในการบัญญัติในเรื่องของศีล ทางศาสนานะฮะโดยเฉพาะที่บัญญัติแก่พระหรือว่าสามเณรก็ตามเนี่ยก็คือเพื่ออะไรเพื่อเพื่อสร้างไอเอกภาพทางความคิดเนี่ยให้เกิดการยอมรับกันแล้วก็เพื่อให้คนดีเนี่ยก็อยู่ได้อย่างสะดวกสบายไม่ถูกรังแกเพื่อให้ไอคนที่ไม่ค่อยสํานึกบาบุญคุณโทษเขาเรียกหน้าด้านก็ไม่มีข้ออ้างในการทําผิดเพราะว่ามีบทบัญญัติบังคับเอาไว้ แล้วก็เพื่อให้หมู่คณะเนี่ยอยู่กันอย่างสันติสุขซึ่งก็มีสิบข้อด้วยกันนะฮะต่อไปก็เป็นการป้องการเรื่องเสื่อมเสียเป็นการขจัดเรื่องเสื่อมเสียที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ป้องการเรื่องเสื่อมเสียที่จะจะเกิดขึ้นในการต่อไปเพื่อให้คนที่ยังไม่เลื่อมใสได้เลื่อมใสที่เลื่อมใสแล้วเลื่อมใส ย, ยิ่งขึ้นก็เพื่อรักษาพระสัทธรรมเอาไว้ แล้วเป็นการถือประพฤติปฏิบัติตามพระวินยัยนี้ก็เป็นจุดประสงค์ที่ทรงบัญญตัติบัญญัติพระวินัยขึ้นไว้ทุกครั้งนะฮะเวลาทรงบัญญัติพระวินัยจะทรงปรารบเรื่องนี้ขึ้นมาทุกครั้งนะทีนี้ข้อต่อไปก็คือเรื่องทิฏฐิเยว่ทิฏฐิสามัญญาตาคือปรับทิฏฐิความเห็นให้ตรงกันอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเลยเป็นเรื่องใหญ่มากก็ความแตกแยกในประสาทศาสนาทั้งสองเรื่องนะ สองเรื่องก็เนี่ยเรื่องศีลกับเรื่องทิฏฐิอะไรที่เราพูดว่าทิธิพระมานะเจ้าคือบางครั้งบางคราวเนี่ยเรื่องความเห็นขัดแยง้งเพียงเล็กๆน้อยๆเนี่ยนำไปสู่ความแตกแยกขนานใหญ่การตีความพระวินัยก็เป็นปัญหาที่ให้เกิดเสียตัางศีลสามัญเนีาคือการปฏิบัติศีลไม่ตรงกันนะฮะอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับการตีความของท่านเหล่านั้น คือท่านไปตีความออกนอกไปที่จริงถ้าหากว่าเราเรามีข้อยุตินะฮะคือคือในแง่ของศาสนาเนี่ยมันระดับความสําคัญของคมพีนี้ท่านเรียงท่านเรียงลดหลั่นกันลงมา เ, เมื่อกล่าวโดยสรุปมันก็จะมีอยู่4ช่วงช่วงแรกก็คือพระไตรปิฎกเราเรียกรพระสูตรช่วงที่2ก็จะสุดตานุลมคืออธิบายข้อความในพระสูตรไปอธิบายถึงข้อความที่ยากอธิบายถึงเจตนาลมในการแสดงในการสั่งสอนเรื่องนั้น แล้วก็อาจาริยวาตคือหนังสือในรุ่นหลังแล้วก็อัตโนมัติคือความเห็นเราความเห็นเราเนี่ถือว่าไปเทียบกับอย่างอื่นไม่ได้มันก็ใช้ไม่ได้นอกจากว่าจะไปลงกับที่ประใจบิดก์เท่านั้นเองก็คล้ายๆกับว่ากฎหมายธรรมดาเนี่ยฮะจะไปขัดแย้งกับกฎหมายและธรรมนูญไม่ได้ถ้าขัดแย้งกับและธรรมนูญก็ถือว่าเป็นโมฆะไปการตีความพระธรรมก็ดีพระวินัยก็ดีเนี่ย ถ้าไปเกิดขัดแย้งกับพระพุทธวจนะก็ถือว่าต้องเป็นโมฆะเรามาจะยกตัวอย่างให้ดูบางอย่างนะฮะเช่นคำว่าอะไรคำว่าเกิดคำว่าเกิดที่เขาพูดกันว่าเกิดนั้นหมายถึงเกิดเป็นตัวตนเป็นอางการวังการนะฮะเกิดเป็นเราเป็นของเราปัจจุบันในมีการอธิบายที่เผยแพร่กันมาเกิดเป็นเราเป็นของเรา แล้วก็ปฏิเสธว่าไม่ได้หมายถึงการเกิดเป็นชีวิตเป็นคนเป็นสัตว์ซึ่งท่านทั้งหลายจะเห็นว่านี้มันก็คื อ, ค อ, ค อ, คอทิฏฐิจะไม่ตรงกันแล้วเราจะเอาอะไรไปเทียบเราจะเอาต้องเอาพระพุทธวจนะเข้ า, าไปเทียบถ้าสมมติว่าเกิดเป็นกิเลสความเกิดนั้นคือเกิดกิเลสนะฮะเกิดกิเลสเช่นว่าเกิดเป็นเราเป็นของเราเป็นพวกเราอะไรต่ออะไรเนี่ยฮะแล้วก็มีปัญหาที่เราสวด ชราบีดุข่าจาติปิดุข่าชราบีดุข่ามานำบิดุข่าชาติความเกิดเป็นทุกข์ชราความแก่เป็นทุกข์มรณะความตายเป็นทุกข์นี่พระพุทธวัจนะกันแรกเลยนะในธรรมจักรแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเป็นการเกิดของกิเลสมันก็มีปัญหาสิเอาแหละจาติปีดุขากิเลสเกิดเป็นทุกข์นี่เห็นได้ชัดไม่มีปัญหาอะไรชราบีดุขากิเลส กิเลสแก่ลงคือกิเลสมันน้อยลงนะฮะว่าจริงกิเลสน้อยลงเป็นทุกยองพอฟังได้นะแต่มะรณะมีดูขังกิเลสหมดอ่ะเป็นทุกได้ท่านจเจรนว่านี่คือขัดแย้งทันทีเลยจนป้อมทันทีเลยนี่คือชิดฉีที่ไม่ตรงกับพระพุทธวธจนะและถ้าหากว่าไปเกิดทิศทีความเห็นไม่ตรงกันมันก็มันก็แตกแยกกันก็แบ่งกันเป็นพวกทันทีเลยเพราะว่าฝ่ายหนึ่งนั้นเขาจะยึดถือพระพุทธวธจนะไว้ ึีฝ่ายหนึ่งไม่ยอมยึดถือพระพุทธวัชย์นะความเห็นก็เริ่มจะแตกแยกกันก็ยังแตกแย ก, กในสมัยพุทธกาลบางครั้งเนี่ยฮะอามาสอนประวัติศาสตร์รูปธรรมศาสนาสคือเห็นว่าพระเราในี่ขาดการประนีประนอมถ้าเราจะประนีประนอมเนี่ยที่จมึงก็ปรับแนวความคิดกันได้อย่างเช่นอะไรบางทีก็ไปเถียงกันเนี่ยว่าพระพุทธเจ้านั้น มีพระกายเป็นชิปนะฮะคือคือคือหมายความว่ า, าการที่พระองค์ต้องแก่ต้องเก็บต้องต้องนิพพานไปเนี่ยแท้ที่จริงเป็นมายาเป็นภาพแสดงแต่นั้นเองแต่แท้ที่จริงแล้วพุทธภาวะคือความเป็นพระพุทธเจ้านั้นเป็นอนันตะคือไม่มีเบื้องต้ น, นก็ออกมาเป็นแนวความคิดทางมายานะีทีหลังอะ่ะมายาเขามีกายสามกายนะฮะก็มีสามโภคกายนิรมาณกายแล้วก็มีธรรมกาย หาญาณนะฮะว่ากายพระเจ้ามีสามกายออซึ่งถ้าหากว่าเราประนีประนอมมันก็ไม่แปลกอะไรนะคือคือเราพูดในแง่ของธรรมกายเพราะว่าบางครั้งบางคราวพระเจ้าทรงทรงแสดงว่าผูดด้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใ ด, ดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมก็ธรรมมันก็ดำรงอยู่ชั่วการนะ์มันก็ประนีประนอมกันได้ไม่จำเป็นจะต้องแตกเป็นนิกายแต่ก็ในที่สุดมันก็แตกเป็นนิกายกันได้นิกายแตกตั้งคราวนั้นตั้งเทนะ่าไหร่ฮะสิบแปดยี่สิบ เป็นยี่สิบนิกายแตกออกไปได้จนจนเป็นเบี้ยหัวแตกหมดเลยแต่ว่าแตกไป็นิกายไม่ได้แตกไ อ, อ้ยังที่อยู่ในปัจจุบันนะฮะแตกแล้วก็อยู่วัดเดียวกันนะก็อยู่ในวัดเดียวกันวันหนึ่งบางทมีมันมีมรุษ ก, กี่นิกายมันวุ่นไปหมดเลยแล้วพระเราก็ตั้งป้อมทะเลาะ ก, กันแล้วก็เนี่ฮะที่ทําให้าศาสนาพุทธเราเสื่อมเนี่ยประเด็นหนึ่งพอทิฏฐิความเห็นไม่ตรงกันเมื่อศตวรรษที่สิบสี่นะเริ่มศตวรรษที่สิบสี่ จนถึงศตวรรษที่17คือพศสอพันหนึ่งรันสร้อถึงพ7 0 0ดอยนะฮะมีนิกายอยสองนิกายที่แตกทั้งสองฝ่ายนะฮะทั้งศีลทั้งทิฏฐิแก้พ ก, กันแล้วมีแต่เถียงกันตลงว่าเจอพระพระก็นั่งทะเลาะ ก, กันนั่งเถียงกันชาวบ้านก็ไปดูพระไปไปฟังพระก็ฟังพระทะเลาะ ก, กันฟังฟังพระเถียงกันไอศรัทธามันก็หย่อนนะ แล้วคนยุคเก่ามันก็หมดไปคนยุคใหม่เกิดขึ้นก็ไม่เห็นว่าอะไรอพระมันเถียงกันก็ขัดแย้งกันเองไม่รู้จะปฏิบัติอย่างไงเพราะพระเองก็อธิบายไม่ตรงกันเลยไอ้ความเคารพนับถือศรัทธาในาศาสนามันก็น้อยลงก็พออิสลามเติบบุกเข้ามาในอินเดียจริงๆไอ้กองทัพมันเป็นกองโจรแบบที่ทําเรากรุงแตกคราวที่สองแต่อาศัยที่ว่าไอ้ศรัทธาในาศาสนาของคนมันหย่อนเหลือเกิน ยนจนไม่มีใครที่จะเสียสละชีวิตเพื่อพิทักษะนะ์ศาสนาเลยศาสนาก็เสื่อมหายไปจากอินเดียตั้งแ0 0ร้อปีทั้งๆ ท, ที่อะไรหลักฐาน ต, ต่างๆยังมีอยู่แยะแต่เพราะว่าศรัทธามันไม่มีเนื่องจากทิศฐิความคิดเห็นของคนในขัดแย้งกันอีกประการหนึ่งที่เห็นได้ง่ายนะฮะเห็นได้ง่ายๆที่เขาเผยแพร่กันมากเนี่ยก็คือเรื่องเรื่องมาร น, นะฮะเรื่องมารนทั้งหลายจะเห็นว่าก็พยายามที่จะพูด ให้เห็นว่ามานนั้นคือกิเลสใช่ที่จริงมานกิเลสมันก็มีแต่พระเจ้าทรงแสดงมานไว้สีห้ามนนะมานแปลว่าพูดล้างผลาญหรือทำลายความดีเนี่ยคือหนึ่งกิเลสสมานมานคือกิเลสเนะช่นความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันก็เป็นมานนะทีนี้สองก็คือขันธทมานคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของเราเนี่ยมันเป็นมาน อย่างเช่นประสบทุกเวทนาจะนั่งกรรมาฐานประสบทุกเวทนามากไม่สงบมันก็เป็นมานขาัดขวางความสงบผมมันปวดเวทนามันเกิดเป็นมานขึ้นมาแต่ความจําของเราเสื่อมไปมันก็เป็นมานทั้งหมดนะฮะแล้วก็อภิสังขารละมานอภิสังขารละมานั้นหมายถึงอภิสังขารมาหมายถึงบุญนะฮะหมายถึงบุญหมายถึงบาปหมายถึงรูปประชานอารูปฌาน แต่ว่าที่เป็นมารต้มคือมารสมัครคนทั่วไปก็คือบาปมารสมัครคนทั่วไปก็คือบาปแต่มารสมัครพระอริยะเจ้าก็คือทั้งบุญนะฮะบุญก็เป็นมารเหมือนกันเพราะว่าพระอาหารหันนั้นจะต้องละบุญด้วยคือต้องละหมดทั้งบุญทั้งบาปเพราะว่าบุญบาปนี่เราพูดกันในชั้นของการเวียนว่ายตายเกิดนะพอเลยไปถึงนิพพานแล้วมันไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปแนละ้วมันเขาเรียกว่าเป็นกุศล ก็แบ่งออกเป็นสองชั้นชั้นหนึ่งก็เรียกว่ากุศลระดับโลกโลกเรียกวัตถามีกุศลแต่ชั้นบนก็เป็นวิวัตถามีกุศลคือกุศลที่เหนือโลกเพราะฉะนั้นไอ้บุญบาปเนี่ยมันอยู่ระดับโลกแล้วไอ้พวกฌานพวกรูปฌานนรูปฌานเนี่ยฮะมันเป็นมานสําหรับพระอรหันต์คือถ้าท่านติดในฌานท่านก็บรรลุอรหันต์ไม่ได้แต่ว่ามานสมักคนทั่วไปมันก็เฉพาะบาปนะฮะเฉพาะบาปแต่นั้นเองเออข้อต่อไปก็คือ มัจจุมานมันคือความตายนั่นคือความตายแล้วก็ข้อที่ห้าก็คือเทวปุตตมานเทวปุตตมานก็มานคือเทพบุตรหมายถึงว่าเทวดาที่เป็นอันธพาณนะฮะเทวดาที่เป็นอันธพาณคนที่เคยปฏิบัติกรรมฐานนะปฏิบัติกรรมฐานเข้าไปในป่าคงจะเจอไอ้พวกเทวดาผานพวกนี้อ่ะ แต่ว่าต้องกิจใจสงบไปดีพอสมควรนะฮะถ้าว่ายังตุปาตุเปไปนี่แกไม่ยุ่งหอกมานี่โปเทบุตรเนี่ยจึงจะเห็นได้ว่ามารคือเทพบุตรเนี่ยมันก็มีจริงๆทําทำไมจึงมีจริงๆเรามาลองดูจึงในหลักที่เรื่องราวที่แสดงไว้ในพุทธวรัติ เ, เช่นเมื่อพระพุทธเจ้าสัสรู้นะฮะก่อนจะสัสรู้มีมารมาพยชนไอ้มารตอนนี้นั่นแน่ แน่นอนว่าต้องก็คงจะหลายมานะแต่ถ้าเรามองกันในแง่ของเหตุผลนะว่าพระพุทธเจ้าก่อนที่จะขึ้นไปบนนั้นนะท่านได้บรรลุฌานแล้วนะฮพระพุทธเจ้าได้ฌานมาก่อนตั้งแต่สำนักอลาดาบทุทกดาบทเพระาะฉะนั้นวรมันไม่มีนิวรไม่มีแล้วสำหรับเจ้าฌานจิตตะดังนั้นกิเลสสมานจะไม่มีเดทําไปคือไม่เกิดขึ้นกลุ่มรุมใจเพราะฌานท่านกดทับนิวรเอาไว้ อท้ทมานจริงๆก็คงจะเป็นขันธมานเพราไปนั่งอธิษฐานเอาไว้ว่าเลือดเนื้อในกายจะเกิดแท่งไปก็ตามถ้ายังไม่ได้บรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าจะไม่ลุกขึ้นในขันธมานนั่นแน่แน่นอนแหละมันต้องเกิดปวดเมื่อยอย่าและต่อต่อมาก็คือไอเทอีปุตตมานเทียปุตตมานนี่น่แล้วออสมมุติว่าเราจะถือว่าเป็นมานคือกิเลสอย่างที่พูดกันนะครับเราต้องมองไปอีกทีหนึ่งว่า เมื่อพระพุทธเจ้าไปประทับอยู่ที่ต้นไซชื่ออัจปานิโครธนะคือพระพุทธเจ้าจัสรุแล้วเจวันแรกนี่อยู่ที่โคนโพ7วันที่สองนี่อยู่ที่อนิมิตเจดี7วันที่สมอยู่ที่รัตนจมกรมเจดี7วันที่สีนี่อยู่ที่รัตนะคารเจดี7วันที่ห้าคือสัปดาห์ที่ห้สัปดาห์ที่หนี้อยู่ที่อัจปาลานิโครธที่ต้นไซขําแม่น้ำในรัญชราไปอีกฟากหนึ่ง ไปพักที่ต้นต้นไซซึ่งไปรับข้าวมตุ ป, ปายาตจากนางสุชาดานะไปประทับที่นั่นทีตอนนี้ครับพระพยามานมาทูลขอให้นิพพานพยามานมาทูลขอให้ให้ใหนิพพานบอกว่าพระองค์ตรัสรู้แล้วจะไปช่วยสัตว์อีกเลยนิพพานได้แล้วเนี่เราจะเห็นว่าอ น, นิมานคือเทพบุตรเลยแล้วก็มีนางตันหานางราคานางอารตีมายั่วยวนพระพุทธเจ้าด้วยวิธีการต่างๆตอนนี้ถ้าเราพูดว่ากิเลสมาน จะมีปัญหาทันทีเลยพระพุทธเจ้าจัตสรู้มาตั้งห้สัปดาห์แล้วไอ้กิเลสสมานยังยังประจนอยู่ก็มีปัญหาดิก็ะจัตจัตสรู้มันได้มันรู้อานสวาคยานนี่ยนะอาสวาคยานก็ทำอานสวากิเลสหมดแล้วทำไมจัตสรู้มาตั้งหสัปดาห์แล้วไอ้กิเลสสมานจะมารบกวนนี่คือเราจะเห็นว่าถ้าเราปรับให้ตรงตามที่ทรงแสดงไว้จะไม่มีปัญหาอะไรตลอดทิฏฐิคือความคิดเห็นเนี่ยเราจะเห็นว่า เป็นตัวการสําคัญที่จะนําไปสู่ความถูกหรือความผิดดังนั้นในหลักของอริยมรรคมีองค์แประการทาั้งๆที่ในชั้นของการปฏิบัติจริงๆนะฮะทา่ทานทั้งหลายจะเห็นว่าศีลสมาธิปัญญาถ้าถ้ถถเรียงรูปใจติขานะฮะจะเรียงเป็นศีลสมาธิปัญญาแต่พอเรียงแบบอริยมรรคจะเรียงแบบปัญญาศีลสมาธิทําไมจึงจึงเรียงแบบปัญญาศีลสมาธิเพราะว่าจะต้องมีสมาธิฏฐิสมาธิฏฐิ อย่างน้อยที่สุดในระดับนี้ฮะระดับธรรมนาเนี่ยระดับอย่างที่บอกว่ารู้ว่าอะไรเป็นทางเสื่อมอะไรเป็นทางเจริญแล้วก็รู้บายเยวิธีที่จะหลีกหนีทางเสื่อมมาดําเนินในทางเจริญสมาริติในระดับนี้คือเข้าใจเหตุผลในชั้นเขาเรียกอะไรกรรมมัศกตาสมาริจิดคือมีปัญญาเห็นชอบในกฎของกรรมและการที่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนอย่างที่เราสูดกันเนี่ยฮะ ประเด็นนี้เป็นเป็นประเด็นหลักที่สําคัญมากสัมมาทิฏฐิจะต้องเกิดในตรงนี้เพราะอะไรเพราะถ้าหากว่าเราไม่ยอมกดไม่ยอมรับกฎแห่งกรรมกฎของความดีความชั่วเนี่ยไอสัมมาวาจามันรู้จะพูดไปทําอะไรธรรมมากรรมันตะสัมมาชีวะอะไรตอะไรเนี่ยคเราจะเห็นว่ามันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าความคิดมันไม่เป็นสัมมาทิฏฐิพวกนี้จะเดินไม่ได้พอความเห็นชอบความคิดก็ชอบแต่ความคิดก็ชอ บ, ว ค, ว ค, ชอบคนเราคิดก่อนจะพูดเนี่ย ไอ้คำพุมพ่มันก็ชอบเมื่อความคิดชอบความเห็นชอบความคิดชอบไอ้การกระทามันก็ชอบการกระทาชอบอาชีพมันก็ชอบมันก็ชอบไปเป็นแถวไปต้องเริ่มมาที่ความเห็นชอบถ้าหากว่าความเห็นยังไม่ชอบหรือว่าความเห็นยังไม่เป็นสมาธิจิตก็เรียกวา่ายังไม่พร้อมที่จะปฏิบัติยังไม่พร้อมที่จะปฏิบัติธรรมดังนั้นอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงไป โกรท่านปัญญวกคีก็มาเริ่มที่ปรับความเห็นให้เป็นสมาธิทิฏฐิก่อนเหตท่านปัญญวกคีนั้นท่านยังปักใจของท่านยังปักใจของท่านว่าไอ้คนเราจะจัดสรูได้มันก็ต้องต้องทรมานร่างกายแหละต้องบําเพ็ญทุกรกิริยาทรมานร่างกายจึงจะเป็นพระพุทธเจ้าได้นี่เจ้าชายสิทธัตถะไม่ทรมานร่างกายแล้วจัดสรูได้นี่มันเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าต้องเสนอเงื่อนไขให้ท่านคิด คิดจนปรับแนวความคิดออกมาเป็นสมาธิทิคือเห็นว่ายอมรับนะฮะอย่างน้อยก็ยอมรับเราพระเจ้าจัตุรุแล้วต่อมาพระองค์ก็เริ่มเทศเท่ก็ฟอกจิตให้เกิดเป็นสมาธิิขึ้นมาโดยลำาับสมาธิทิในที่เป็นหลักสําคัญมากก็คือมีสองหลักนะให้โปรดสังเกตว่าสมาธิทินั้นมีอยู่สองหลัก หลักแรกก็คือหลักที่เกี่ยวกับสังสารวัตรที่มิจฉาทิฐิมันแบ่งออกเป็นสองฝ่ายนะฮะมิจฉาทิฐิที่บอกว่าศาสนาทิฐิคือเห็นว่าโลกเชี่ยงหมายความว่าคนเราตายจากอะไรก็จะเกิดเป็นอย่างนั้นแล้วก็อุเฉตทิฐิถือว่าชีวิตเราขาดศูนย์คือตายไปแล้วก็ขาดศูนย์ไปเลยชีวิตมีกองขี้เท่าเป็นที่สุดอะไรเนี่ยนี่คือเรื่องของสังสารวัตรถือว่าเป็นมิจฉาทิฐิเพราะงั้นในแง่ของสมาธิฐิคืออะไรสมาธิก็ถือว่า ปัจจัยของสังสารวัฏนั้นมันก็อยู่ที่องค์ประกอบสําคัญก็คือกิเลสกรรมนะกิเลสกรรมแล้วก็วิญญาณถ้าหากว่ายังมีกิเลสยังมีกรรมอยู่ไอ้วิญญาณมันก็ต้องมีอาศัยธรรมสามอาศัยองค์ประกอบสามอย่างนี้การเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏก็ต้องมีอยู่จักนั้นเพราะฉะั้นจะพูดว่าเที่ยงมก็ไม่ได้เพราะมันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมที่แต่และชีวิตทําไว้ไม่เหมนกัน แต่ถือว่าขาดศูนย์ก็ไม่ได้เพราะไอ้ตัวมูลเหตุมันยังมีนี่คือหลักความเห็นที่เป็นสมัมมาทิฏฐิในเรื่องของสังสารวัฏซึ่งพระพุทธเจ้าทรงรู้ด้วยพระาญาณข้อแรกนะฮะข้ากุเปนิวสารติยานที่ทรงบรรลุในคืนจัตจรูปกุเปนิวสารติยานแล้วก็ข้อที่สองก็คือเรื่องเรื่องเกี่ยว ก, กับกความเห็นเกี่ยว ก, กับกรรมที่ถือเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างแรงเนี่ย ที่ทรงชช้คําว่าเหมือนกระชาประมงดักปลาคําสอนในแนวนี้เหมือนกระชาประมงดักปลาก็เพื่อประโยชน์ตัวเองเกลือปลาเข้าไปให้ติดในขายของตัวเองแล้วก็เป็นประโยชน์ของตัวเองคําสอนที่เป็นมิจฉาทิฐิในเรื่องกรรมก็มีสามเรื่องนะคือหนึ่งอกิริยาทิฐิถือว่าบาปบุญไม่เป็นการทำอเหตุกาทิฐิคือผลที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยไม่มีเหตุอะไรมันเกิดขึ้นเองเกิดขึ้นลอยลอยนะแล้ว คำสอนในแนวนี้ส่วนมากจะแปลกนะคือจะยกไอ้สิ่งที่ไม่มีชีวิตเป็นตัวอย่างจะก็บอกว่าจะ บ, บาบุญมันจะมีได้ยังไงเหมือนกันมันก็ฝนตกรดต้นไม้เนี่ยฝนได้บุญเหรอมันฟ้าผ่าต้นไม้เนี่ฟ้าได้บาปแหละคือว่าพูดเรื่องคนนะฮะแต่ไปยกตัวอย่างสิ่งไม่มีชีวิตมันก็อธิบายกันไปคนละทิศคนละทางกันถือว่าไม่มีบาปไม่มีบุญนะฮะแล้วถือว่าผลที่เกิดขึ้นนั้นไม่มีเหตุมันเกิดขึ้นลอยๆเป็นความบังเอิญ น, นะเป็นความบังเอิญเฉยๆ ซึ่งแนวความคิดเห็นเหล่านี้มีอยู่ทุกทุกสมัยอีกประเภทหนึ่งถือว่าเรียกนัตธิกาทิฏฐิถือไม่ไม่มีบทเลยพ่อแม่ไม่มีบาปบุญไม่มีสัตว์ผู้ลอยเกิดไม่มีโลกหน้าไม่มีโลกนี้ไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีอะไรอะไรนี่ปฏิเสธหมดนี่คือความเห็นที่เรียกว่าเป็นมิจฉาทิฐิประเภทกรรมนะฮะซึ่งทั้งสองฝ่ายเนี่ย ถ้าจะเห็นให้ตรงตามหลักที่เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิก็คือยอมรับกฎของกรรมอย่างอย่างเวลาท่านอธิบายศรัทธาอย่างที่พูดตะกี้เนี่ยฮะก็คือกรรมัตรัทธาเชื่อความมีอยู่ของกรรมอิปากัศรัทธาเชื่อความมีอยู่แห่งผลกรรมกรรมสกตา์ศรัทธาเชื่อการนิสั้งหลายเป็นผู้มีกรรมของเป็นของของตนมันดังมีลักษณะสับสนจับทิศทางไม่ได้แล้วพระพุทธเจ้าแสดงไว้อย่างเนี้ย เรื่องอย่างนี้เพื่อตัดปัญหาให้ว้าวุ่นสับสนคือไม่ไม่ไปคิดไปวิเคราะห์ในเรื่องที่ที่เราไม่สามารถคิดเอาได้เพราะว่าปัญหาบางอย่างในในเนี้ยที่ที่ทรงใช้คําว่าอาจินไตคือคือเราจะคิดเอาไม่ได้มันมีอยู่สเรื่องพุทธวิสัยวิสัยของพระพุทธเจ้าเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเราจะคิดอนุมานเอาเทียบเคียงเอาด้วยความรู้สึกนึกคิดของเราเนี่ยไม่ได้บางเรื่องนะฮะ แล้วก็กรร ม, มะวิปากรรวิสัยคือเรื่องของกรรมและวิบากกรรมเนี่ยเราจะคิดจะคิดเอาเองจะอนุมานเอาจะ้ า, างคะเนเอาไม่ได้แล้วก็ฌานวิสัยวิสัยของฌานวิสัยของท่านที่ได้บรรลุการฝึกปรื้มจิตมาชั้นสูงนะฮะมาทําไมทําอย่างนั้นได้ทําไมทําอย่างนี้ได้มันก็เหมือนกับพวกกายกรรมเพียงอย่างนะฮะคือเขาฝึกมาเนี่ยอันนั้นมันเป็นกายกรีธา อันนี้มันพวกกิตรกรีทาเกือบต้องฝึกมามันก็ทําได้ถ้าเราจะตั้งปัญหาถามว่าไอ้ทาอย่างนี้ทําได้ไหมเราก็ตอบว่าทำได้ถามว่าเราทําได้ไหมเราก็ทําไม่ได้ทําไมทำไม่ไ ด, ไไได้เพราะเราไม่ได้ฝึกเขาทําไมทําได้เขาก็เพราะเขาฝึกมาเพราะงั้นไอ้วิสัยของชาญวิสัยของฤทธิ์เนี่ยครของท่านที่ประสบความสําเร็จมาแล้วเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่เราจะคิดเอาไม่ได้ก็คล้ายๆกันเลยคล้ายๆกันรสชาติของอาหารเนี่ย จะเปรี้ยวหวานมันเค็มยังไงเราคิดเอาไม่ได้มันต้องชิ ม, มต้องชิมมาแล้วจึงจะรู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงข้อต่อไปก็คือโล ก, กจินตาเรื่องของโลกโลกใครสร้างสร้างมาเมื่ อ, อไหร่เกิดมาอย่างไงอะไรแต่ไรนี่ไปคิดก็เสียเวลาเปล่าเพราะา ง, งั้นปัญหาบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องอาศัยการเชื่อตามหลักที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้เพื่อตัดปัญหาไม่ต้องไปเสียเวลาคิดฮนะ แล้วเมื่อเมื่อปฏิบัติไปเนี่ยเราจะเราจะรู้ด้วยตัวเราเองว่าที่ทรงแสดงไว้นั้นเป็นอย่างนั้นจริงดังนั้นหลักในทางศาสนาจึงเพียรพยายามที่จะสอนให้ปรับความเห็นความเห็นให้ลงกันซึ่งซึ่งเราไม่ต้องดูอื่นไกลแล้วท่านทั้งหลายจะเห็นว่าแม้แต่ภายในครอบครัวสามีปัญญาเนี่ยเรียกว่าอะไรทัศนะไม่ตรงกันหรือความเห็นไม่ตรงกันแล้วในที่สุดมันก็อยู่กันไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงว่าเราจะอยู่กันเป็นสังคมใหญ่ๆหรอกบ้าน ซึ่งมีอยู่ไม่กี่คนถ้าความเห็นไม่ตรงกันแล้วก็อยู่กันไม่ได้แต่ในทํานองเดียวกันถ้าหากว่ามีความเห็นตรงกันอยู่มีศีลเสมอกันในการเฉลี่ยความความสุขกันแล้วก็มีเมตตาแสดงออกมาได้ทางกายทางวาจาทางใจอันนี้เป็นตัวเหตุที่จะส่งใช้คำว่าปิยกัรณาคือกระทำให้เกิดให้มีความรักต่อกัน คารุรณามีความเคารพต่อการสังกหายะเป็นไปเพื่อการสงเคราะห์กันอวิวาดายะคือไม่วิวาทกันสามัคคีญาเป็นไปเพื่อความสามัคคีแล้วก็เอกีภาวายะก็ก่อให้เกิดเป็นเอกภาพขึ้นนี้เป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเพื่อให้บุคคลที่อยู่ร่วมกันอยู่ร่วมกันอย่างมีเอกภาพจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสามัคคีสนิทสนมการเข้ากันได้อย่างทรงอุปมาเหมือนกับน้ํากับน้ํานมเนี่ยเข้ากันได้ เป็นการแสดงเพื่อให้เกิดการอยู่ดีมีสุขในสังคมคือจากจุดย่อยที่สุดภายในครอบครัวคือคนสองคนขึ้นไปนะฮะคนสองคนขึ้นไปจนถึงสังคมอันเป็นส่วนรวมนี่ก็เรียกว่าสารานิยธรรมสูตรสรัวันนี้ก็จบไปเพียงนี้